การยกย่ยองชมเชยพาเราไปได้ทุกแห่งพวกเราทุกคนชอบที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่มักจะโชคไม่ค่อยดีนะักที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องข้อบอกพร่องของเราอาตมาคิดว่ามันก็ยุติธรรมดีเพราะส่วนใหญ่แล้ว เราเองก็มักจะพูดถึงแต่ข้อบกพร่องของผู้อื่นยากนักที่เราจะกล่าวยกย่องสันเสริม <crisis> ผู้ใดโยมหลองฟังตัวเองพูดดูสิเมื่อไม่ได้รับการยกย่องชมเชยและเมื่อไม่มีแรงเสริมด้านบวกให้กับนิสัยที่ดีงามทั้งหลาย นิสัยดีๆเหล่านั้นก็จะเหี่ยวเฉาและสลายไปในที่สุดหากการยกย่องชมเชยเพียงแค่เล็กน้อยจะสามารถเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ได้เราทุกคนต้องการที่จะได้ยินคนยกย่องสั่งเสริมเราเราแค่ต้องการที่จะรู้ให้แน่ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ยินคำยกย่องนั้น อาตมาเคยอ่านพบในนิตยสารฉบับหนึ่งเกี่ยวกับกลุ่มจิตบำบัดที่ใช้แรงเสริมด้านบวกกับเด็กเล็กๆที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการกินยากเมื่อใดก็ตามที่เด็กพวกนี้กินอาหารแข็งๆเขาจะอาเจียนออกมาแทบจะทันทีทันใดเพียงแค่เด็กคนใดคนหนึ่งสามารถกลืนอาหารได้สักคาสักหนึ่งนาทีหรือนานกว่านั้น โดยไม่อาจเจียนพวกเขาก็ถึงกับจัดปาร์ตี้ให้ทีเดียวบรรดาพ่อแม่จะสวมหมวกกระดาษยืนบนเก้าอีก้กูร้องและตบมือนางพยาบาลจะเต้นระบำและโบกสายสีสีให้ปลิวสะบัดใครสักคนจะเล่นดนตรีเพลงโปรดของเด็กๆ เ, เป็นการจัดงานฉลองครั้งใหญ่ให้ทันทีโดยให้เด็กที่กินอาหารได้คนนั้นเป็นพระเอกนางเอกของการฉลองนั้น เด็กๆ เ, เริ่มที่จะกินอาหารได้มากขึ้นมากขึ้นความดีอกดีใจอย่างแท้จริงที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขเช่นนั้นทำให้การทํางานของระบบประสาทของเขาเปลี่ยนแปลงไปเด็กๆ เ, เหล่านั้นต้องการการยกย่องชมเชยมากขนาดนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่พูดว่าการยกย่องชมเชยไม่สามารถพาเราไปไหนไดน้เป็นคนอืแต่อา จ, จมาคิดว่าเราสมควรจะยกโทษให้เขานะสหายทั้งหลายการยกย่องชมเชยพาเราไปได้ทุกคนทุกแห่งเชียวแหละ ต้องเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างในปีแรกที่วัดของเรางานก่อสร้างชิ้นสำคัญชิ้นแรกคือบอ่อบำบัดน้ำเสียของห้องส้วมหกห้อ ง, องและห้องอาบน้ำหกห้องอาตมาจึงต้องหาความรู้เรื่องงานประปาวิธีการเรียนรู้ของอาตมาคือการหอแปลนไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์การประปาการแปลนบนเคาน์เตอร์ บอกเขาว่าช่วยด้วยเราต้องสั่งซื้อของเยอะฉะนั้นเฟรดคนขายที่เคาน์เตอร์จึงไม่อิดออดที่จะให้เวลากับปาตมามากกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อจะอธิบายว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทำไมจึงต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ จะประกอบมันเข้าด้วยกันอย่างไรในที่สุดด้วยความอดทนเพียรพยายามด้วยสามันสํานึกและด้วยคําแนะนําจากเฟรดระบบบําบัดน้ําเสียของอาตมาจึงเสร็จสมบูรณ์เจ้าหน้าที่อนามัยประจาเขตมัดตรวจอย่างละเอียดและเราก็สอบผ่านทําให้อาตมาตื่นเต้นทีเดียว สองสันถัดมาเราก็ได้รับบินเรียกเก็บเงินค่าชิ้นส่วนงานประปาต่างๆอาตามาขอเช็คจากเฮระยิกวัดและส่งไปรสนียไปพร้อมจดหมายขอบคุณโดยขอบคุณเฟรดเป็นพิเศษที่ได้ช่วยเราให้เริ่มการสร้างวัดของเราได้ดีในเวลานั้นอาตามาไม่ได้รู้ว่าบริษัทขายอุปกรณ์ประปาใหญ่ๆเช่นบริษัทนี้ ซึ่งมีสาขามากมายรอบๆเมืองเพิร์ตมีแผนกบัญชีแยกต่างหากเมื่อสมียนในแผนกบัญชีเปิดจดหมายของอาตมาอ่านเขาถึงกับอึ้องไปเลยที่ได้รับจดหมายชมเชยจากลูกค้าเขาจึงรีบนําจดหมายไปให้ผู้จัดการแผนกบัญชีเป็นเรื่องปกติที่เมื่อฝ่ายบัญชีได้รับจดหมายแนบมากรับเช็คมันมักจะเป็นเรื่องต่อว่าเสมอ ผู้จัดการแผนกบัญชีเกิดอาการประหลาดใจเช่นกันเขาเรีบนําจดหมายของอาตมาไปให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเมื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อา่านจดหมายเขาก็ปลื้มมากถึงขนาดยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานต่อหาเฟร็ดที่เคาน์เตอร์ขายที่สาขาหนึ่งในจำนวนมากมายของบริษัทเพื่อบอกเฟร็ดเรื่องจดหมายจากอาตมา ที่ขณะนี้อยู่บนโต๊ะทำงานไม้ไมโอกกนีของเขานี่คือสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นในบริษัทของเราเชียวนะเฟร็ดลูกค้าสัมพันธ์มันเป็นหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่เฟร็ดก็ตอบครับท่านคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากนะเฟรดครับท่านผมหวังว่าเราจะมีพนักงานอย่างคุณให้มากๆครับท่าน ตอนนี้เงินเดือนคุณเท่าไหร่นะเราอาจทำให้มันดีขึ้นครับท่านยอดเยี่ยมมากเฟรดขอบคุณครับท่านหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วประมาณสองสามชั่วโมงอจตมาได้เดินเข้าไปในร้านเพื่อจะขอเปลี่ยนอะไรชิ้นหนึ่งสำหรับงานอีกงานหนึ่งตอนนั้นมีช่างประปาร่างใหญ่ ชาวออสซี่สองคนที่บ่ากว้างยังกับถังเซปติกยืนรอรับการบริการก่อนหน้าอาตมาแต่เฟร็ดก็มองเห็นอาตมาท่านพร้อมเขาพูดพร้อมยิ้มกว้างเชิญมาทาั้งนี้อาตมาได้รับการบริการเยี่ยมว i p พเขาพาอาตมาไปที่หลังร้าน ซึ่งไม่ทิ่ที่ที่ลูกค้าจะเข้าไปได้เพื่อให้อาตมาเลือกชิ้นส่วนที่อาตมาต้องการผู้ร่วมงานของเ็ลที่เคาน์เตอร์เล่าให้อาตมาฟังเรื่องโทรศัพท์สดๆร้อนๆจากกรรมการผู้จัดการอาตมาได้ชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วมันใหญ่และแพงกว่าชิ้นส่วนที่นำมาแรกอาตมาถามว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ ด้วยรอยยิ้มกว้างจากหูถึงหูเฟตกตอบว่าท่านพรมสำหรับท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มหรอกครับฉะนั้นการยกย่องชมเชยก็ให้ผลดีด้านการเงินอีกด้วยนะ การยกย่องชมเชยสามารถช่วยประหยัดเงินให้เรากระชับสัมพันธไมตรีและช่วยสร้างความสุขเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำให้มากๆและแผ่ขยายให้กว้างขวางไปโดยรอบผู้ที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดที่จะยกย่องสรรเสริญก็คือตัวเราเองนั่นแหละ อาตมาได้รับการอบรมสั่งสอนไมาเชื่อว่าคนที่ยกย่องสรรเสริญตัวเองนั้นเป็นคนอัตตาสูงมันไม่ใช่เช่นนั้นหรอกคนพวกนั้นน่ะเป็นคนที่ใจกว้างต่างหากการยกย่องชมเชยคุณลักษณะที่ดีงามของตัวเราเองเป็นแรงเสริมด้านบวกให้คุณลักษณะเหล่านั้นแข็งแรงยิ่งขึ้น เมื่อครั้งที่อาตมายังเป็นนักเรียนครูผู้สอนเรื่องการปฏิบัติภาวนาคนแรกของอาตมาให้คำแนะนําที่ใช้ได้ดีมากท่านเริ่มด้วยการถามอาตมาถึงสิ่งแรกที่อาตมาทำหลังจากตื่นขึ้นในตอนเชา้าอาตมาบอกว่าผมก็เข้าห้องน้ำครูถามว่าแล้วในห้องน้ำมีกระจกเหงาไหม ต้องมีสิครับท่านพูดว่าดีต่อไปนี้ทุกๆเช้านะเอาตั้งแต่ก่อนเธอแปลงฟันเลยครูอยากให้เธอมองกระจกเหงานั้นและจงยิ้มให้ตัวเองอาตมาคัดค้านทันทีคุณครูครับผมเป็นนักเรียนนะครับบางคืนกว่าผมจะเข้านอนก็ดึกมากๆแล้ว และเมื่อผมตื่นนอนในตอนเช้าผมก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรขนาดนั้นบางเช้าผมยังกลัวที่จะมองตัวเองในกระจกเลยลืมเรื่องยิ้มไปได้เลยครับท่านหัวเราะือฮือจ้องเข้าไปในดวงตาของอาตมาตและบอกว่าถ้าเธอไม่สามารถจะจัดการให้ตัวเองยิ้มได้โดยธรรมชาติแล้วก็เธอก็เอานิ้วชี้ทั้งสองนิ้วของเธอ จิ้มเข้าไปที่มุมปากของเธอแต่ละมุมและออกแรงฉีกมันซะหน่อยอย่างนี้นะแล้วท่านก็ทําให้อาตมาดูถ้าทางท่านดูตลกจนอาตมาถึงกับหัวเราะกิ๊กท่านสั่งให้ทดลองทําดูอาตมาก็ทาเช้าวันรุ่งขึ้นอาตมาลากสังขารลุกจากเตียง เดินโซเซไปเข้าห้องน้ำอาตมามองตัวเองในกระจกเอ๊ะมันไม่ใช่ภาพที่น่าดูเลยยิ้มอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ได้แน่อาตมาจึงเอานิ้วชี้ทั้งสองสอดก็ไปที่มุมปากแต่ละด้านแล้วฉีกมันออกอาตมาก็ได้เห็นเด็กนักเรียนอายุน้อยที่ดูงงงงกําลังทำหน้าทึมๆอยู่ในกระจกแล้วอาตมาก็อดที่จะยิ้มจนเห็นไรฟันไม่ได้ เมื่อรอยยิ้มอย่างธรรมชาติปรากฏขึ้นอาตมามองเห็นเด็กนักเรียนในกระจกเงายิ้มให้อัตมานั่นทำให้อัตมายิ้มกว้างขึ้นอีกคนในกระจกเองก็ยิ่งยิ้มกว้างขึ้นภายในสองสามวินาทีมันก็จบลงด้วยการที่เราหัวเราะให้กันละกันอัตมาปฏิบัติเช่นนั้นทุกเช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองปี ทุกเชา้าเมื่ออาตมาลุกจากเตียงไม่ว่าอาตมาจะรู้สึกอย่างไรในไม่ช้าก็จะได้หัวเราะ ก, กับตัวเองในกระจกเงามักจะด้วยการช่วยเหลือจากนิ้วทั้งสองของอาตมาถึงเวลานี้ผู้คนก็พูดกันว่าอาตมาลนะ่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลา กล้ามเนื้อรอบรอบปากของอาตมามันอาจจะค้างอยู่ที่ท่านั้นแล้วก็ได้นะเราสามารถพยายามใช้กลมเม็ดสองนิ้วได้ทุกเมื่อมันจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อเรารู้สึกป่วยเบื่อรำคาญสุดทนหรือซึมเศร้าสุดทีการหัวเราะ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยให้ร่างกายปลดปล่อยสารเอนโดฟินเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของเลือดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานของเราและทําให้เรารู้สึกมีความสุขมันช่วยเราให้มองเห็นอีกก้อนสวยๆ998ก้อนในกำแพงของเราไม่ใช่เห็นเฉพาะแต่ก้อนไม่สวยสองก้อนนะั่นนอกจากนี้ การหัวเราะก็ทําให้เราดูมดงามด้วยนี่เป็นเหตุให้ในบางครั้งบางราวอาตมาเรียกวัดพุทธของเราที่เมืองเพิดว่าสถานเสริมสวยของอาจารย์พรหม สอนที่ล้ำค่ามีคนเล่าให้อัตมาฟังว่าอาการเหางาหงอยซึมเศร้าส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดหลายพันล้านดอลลาร์ฟังแล้วรู้สึกหดหูจริงๆมันช่างไม่ถูกต้องเอาเสียเลยที่ใครจะร่ำรวยขึ้นมา จากความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ตามข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดของเราพระไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินและเราก็ไม่เคยคิดเงินสำหรับการเทศการให้คำแนะนำตลอดจนการบริการอื่นใดทั้งสิ้น ชาวมริการคนหนึ่งโทรศัพท์มาถึงพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิที่มีชื่อเสียงเพื่อจะไต่ถามเรื่องการฝึกสมาธิเธอลากเสียงถามมาตามสายว่าดิฉันทราบว่าท่านสอนสมาธิท่านตอบอย่างสุภาพว่าใช่แล้วโยมเธอจึงถามตรงๆว่า ท่านคิดค่าสอนเท่าไหร่ไม่คิดร อ, อกโยมถ้าอย่างนั้นท่านก็สอนไม่เก่งนะสิเธอกล่าวแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปเลยอาจตมาเองก็เคยได้รับโทรศัพท์คล้ายๆกันเมื่อสอนสมปีก่อนจากผู้หญิงลูกครึ่งโปลิสออสเตรเลียนเธอถามว่า คืนนี้จะมีเทศที่ศูนย์ของท่านหรือเปล่าอาตมา ต, ตอบมีสิโยมเริ่มเวลาสองทุ่มนะเธอถามต่อว่าแล้วจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเมื่ออาตมา ต, ตอบว่าไม่ต้องเสียหรอกโยมไม่มีการคิดเงินใดๆทั้งสิ้นรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายหยุดชะงักชัว่วขณะ ท่านไม่เข้าใจที่ดิฉันพูดเธอกล่าวเสียงเข้มเขมดิฉันจะต้องเสียค่าเข้าไปฟังท่านเทศเท่าไรคะโยมไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นมันฟรีนะโยมอาตมาบอกด้วยชุ่มเสียงที่นุ่มนวลเท่าที่จะสามารถทำได้เธอกลับตะโกนใส่อาตมามาตามสายกี่ดอลลาร์กี่เน้นเท่าไรกันแน่ที่ฉันจะต้องจ่ายเพื่อจะได้เข้าไปฟัง โยมโยมไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นโยมเพียงแต่เดินเข้ามานั่งทางด้านหลังแล้วจะลุกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่โยมพอใจจะไม่มีใครถามชื่อที่อยู่ของโยมหรือส่งใบปลิวตามไปให้โยมและไม่มีการขอให้บริจาคเงินที่หน้าประตูด้วยมันฟรีจริงๆคราวนี้ มีอาการหยุดชนักภักใหญ่แล้วเธอก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากจริงใจว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจะได้อะไรจากการนี้ล่ะความสุขใจไงละโยมอาตมาตอบความสุขเดี๋ยวนี้ เวลาใครถามว่าเราคิดเงินค่าสอนเท่าไหร่อาตมาไม่เคยตอบว่าฟรีอีกแล้วอาตมาบอกว่ามันล้ำค่าจนไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้ Comes แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันหนึ่งในบรรดาคำสอนลํำค่าที่จะช่วยอาการซึมเศร้าได้เป็นคำสอนที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาเทราะว่าคำสอนที่ดูเหมือนง่ายนี้ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆด้วยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ปราศจากอาการซึมเศร้าอย่างแท้จริงเราจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเราเข้าใจเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จริงๆนักโทษคนใหม่กำลังรู้สึกกลัวและซึมเศร้าอย่างหนัก กำแพงหินในห้องขังดูดซับความอบอุ่นทั้งหมดไปสิ้นลูกกรงเหล็กแข็งๆการกั้นความเห็น อ, อกเห็นใจทั้งหมดออกไปเสียงกระแทกของเหล็กเมื่อประตูหลายๆบานปิดลงปิดกั้นความหวังให้ไกลเกินเอื้อมใจของเขาจมดิ่งลงลึกเท่ากับโทษจำคุกที่ยาวนาน บนกำแพงใกล้ๆหัวเตียงเขาเห็นรอยขูดบนหินเป็นคำต่อไปนี้แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันคำเหล่านี้ทำให้เขาผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับที่มันคงได้ช่วยคําจุนนักโทษคนก่อนหน้าเขาไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรเขาจะมองดูคําจารึกนั้น และจดจำไว้แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันวันที่เขาได้รับการปล่อยตัวเขาตระหนักถึงสัจธรรมของคำเหล่านี้เวลาจองจำของเขาสิ้นสุดลงแล้วคุกได้ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน เมื่อเขาได้ชีวิตคืนกลับมาเขายังพิจารณาตรึกตรองถึงข้อความ น, นั้นอยู่เสมอเขียนมันไว้บนเศษกระดาษต่างๆทิ้งไว้ข้างเตียงในรถและที่ทำงานแม้ในเวลาย่าแย่เขาก็ไม่เคยท้อแท้เขาเพียงแค่ระลึกว่าแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันแล้วยืนหยัดสู้ต่อไป ช่วงเวลาที่ย่ำแย่เหล่านั้นไม่เคยที่จะยาวนานเกินทนและและ้วเมื่อเวลาดีๆมาถึงเขาจะมีความสุขกับมันแต่ไม่เคยประมาทเกินไปเขายังคงระลึกอยู่ว่าแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันเขาดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ดูเหมือนว่าช่วงเวลาดีๆของเขาจะยาวนานเป็นพิเศษแม้เมื่อเขาเป็นมะเร็งข้อความแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันให้ความหวังแก่เขาความหวังก็ให้เกิดความเข้มแข็งและทัศนคติที่ดีงามซึ่งสามารถเอาชนะโรคได้ วันหนึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเจ้ามะเร็งได้ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกันวันสุดท้ายในชีวิตของเขาบนเตียงที่เขากําลังจะตายเขากระซิบบอกทุกทุกคนที่เขารักว่าแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันแล้วเขาก็จากไปอย่างสงบคําพูดของเขาเป็นของขวัญแทนความรักชิ้นสุดท้าย ที่เขาได้มอบให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆของเขาทุกๆคนได้เรียนรู้จากเขาว่าแล้วความเศร้าโศกจะผ่านพ้นไปเช่นกันความซึมเศร้าเป็นเรืองจำที่พวกเราหลายๆคนจะต้องผ่านเข้าไปแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันจะช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้ นอกจากนี้มันยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยนสาเหตุสำคัญของการซึมเศร้าที่เกิดจากความประมาทในช่วงดีๆของชีวิตอีกด้วยหมายเหตุเรื่องจารึกแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันนี้อาตมาเคยฟังนิทานปรมปราเรื่องนี้ครั้งแรก เมื่ อ, อยังเป็นวัยรุ่นชาวพุทธขณะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรื่องนี้มีการเล่าต่อต่อกันมาและตีพิมพ์อย่างย่อๆโดยอินรีสชาในหนังสือเรื่อง The Way of the Sophie Penguin Books หน้า8 0 8สถึง เสสละเยี่ยงวีรบุรุษเมื่อครั้งที่อาตมาเป็นครูในโรงเรียนอาตมารู้สึกเป็นห่วงนักเรียนคนหนึ่งในชั้นที่สอบได้ที่โลตอนปลายปีอาตมาเห็นเขาซึมเศร้ากับผลสอบอาตมาจึงดึงตัวเขามาข้าง ตมาบอกเขาว่าใครสักคนจะต้องได้ที่สาสิบในชั้นเรียนที่มีนักเรียนสาสบคนปีนี้ถึงคราวที่เธอจะเป็นผู้เสียสละเยี่ยงวีระบุตษที่ได้ช่วยให้เพื่อนเธอคนอื่นๆไม่ต้องอับอายในการเป็นที่โหลของฉันเธอใจดีมากและมีเมตตาด้วยเธอสมควรได้รับเหรียญรางวัลเชียวนะ เราทั้งสองต่างรู้ว่าที่อาตมาพูดนะ่ะมันตลกหน้าหัวรอกแต่เขาก็ยิ้มกว้างและเลิกทำราวกับว่าโลกกำลังจะแตกดับอีกต่อไปปีต่อมาเขาสอดได้ดีขึ้นมากถึงคราวที่ใครคนอื่นจะต้องเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษบ้างแล้ว เต็มคันรถบรรทุกสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นการเป็นที่หลกของฉันเกิดขึ้นได้ในชีวิตมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างผู้มีความสุขกับผู้ที่ชอบซึมเศร้าอยู่ที่ว่าเขาตอบสนองต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร ลองนึกวาดภาพซิว่าเราเพิ่งสนุกสนานกับเพื่อนที่ชายหาดในบ่ายวันหนึ่งเมื่อกลับถึงบ้านเราพบขี้วัวกองมหฮุ ม, มาเต็มคันรถบรรทุกถูกเทไว้ตรงหน้าบ้านของเราที่ต้องรู้สามอย่างเกี่ยวกับขี้วัวกองมหฮุ ม, มานี้คือหนึ่งเราไม่ได้สั่งซื้อขี้วัว มันไม่ใช่เรื่องผิดพลาดของเราแนะ่ 2. ขี้วัวกองนี้เป็นเรื่องของเราแล้วไม่มีใครเห็นว่าใครเอาขี้วัวมาทิ้งไว้ที่นี่เราไม่สามารถจะไปเรียกใครมารับผิดชอบเก็บมันทิ้งไปได้ 3. มมันสกปรกและน่ารังเกียจกลิ่นเหม็นโชของมันกระจายเข้าไปทั่วบ้านแทบจะทนไม่ไหวเอาทีเดียว อุปมาอุปไมยที่วัวกองมหมาหน้าบ้านของเรานี้กับประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิตและเช่นเดียวกับขี้วัวเต็มคันรถบรรทุกกองนั้นสามเรื่องที่เราต้องรู้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมในชีวิตของเราคือ 1. เราไม่ได้เรียกหามันเรามักจะว่าทำไมต้องเป็นฉัน 2. มันเป็นเรื่องของเราไม่มีใครสักคนแม้แต่เพื่อนรักที่สุดของเราจะสามารถเอามันไปจากเราได้แม้ว่าพวกเขาอาจจะพยายามก็ตามสา ม, มันน่ากลัวมากมันทำลายความสงขของเราและความปวดร้าวใจนั้น ฝังลึกเข้าไปในชีวิตของเราทั้งชีวิตมันแทบจะทนไม่ไหวเอาทีเดียวการตอบสนองต่อเรื่องขี bạn. ้วัวนี้มีอยู่สองทางด้วยกันทางแรกคือการหอบขี้วัวไปไหนมาไหนกับเราเราเอาขี้วัวบางส่วนใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างใส่ไว้ในถุงบ้าง และใส่ไว้ในเสื้อบ้านเรายังเอาขี้วัวใส่ไว้ในกางเกงของเราด้วยเมื่อเราหอบพิลขี้วัวไปไหนมาไหนกับเราเราพบว่าเราเสียเพื่อนไปมากมายทีเดียวแม้แต่เพื่อนที่สนิทกับเรามากที่สุดยังหายหน้าหายตาไปจากเราไม่ได้พบกันบ่อยเหมือนเคย การหอบยื่ที่หัวไปในตอนไหนกับเราอุ ป, ประมาณเปรียบเทียบได้กับการจมอยู่ในความสิ้นเศร้าการมองในเชิงลบและโทสัมันเป็นการตอบสนองต่อความโชคร้ายที่แสนจะธรรมดาและย่อมเป็นที่เข้าใจได้แต่เราต้องสูญเสียเพื่อนไปเยอะทีเดียวเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและเข้าใจได้เช่นกันว่า เพื่อนๆของเราย่อมไม่ชอบที่จะอยู่ใกล้ๆเราขณะที่เราซึมเศร้าเช่นนั้นยิ่งไปกว่านั้นกองขี้หัวไม่ได้ลดขนาดลงแต่กลิ่นของมันนานวันเขา้ากลับยิ่งเหม็นขึ้นเรื่อยๆโชคยังดีที่มีทางที่สอง เมื่อเราโดนขี้วัวเต็มกันรถบรรทุกเทใส่เราก็ถอนใจสักเพื่อและเริ่มลงมือทํางานเราขนรถเข็นซ่อมง่ามและพลุ่งออกมาเราโกยขี้วัวใส่รถเข็นเข็นรถไปหลังบ้านฝังมันไว้ในสวนมันเป็นงานที่แสนยากเล่นหน้าเน็เหนื่อยแต่เราก็รู้ว่า มันไม่มีทางเลือกอื่นใดบางครั้งบางคราวเท่าที่เราสามารถจัดการได้ในวันวันหนึ่งอาจจะเพียงแค่ครึ่งรถเข็มเท่านั้นเรากําลังจัดการอะไรสักอย่างกับปัญหาแทนที่จะเอาแต่บ่นว่าจนนําไปสู่ความซึมเศร้าวันแล้ววันเล่าที่เรากลัวที่หวัววันแล้ววันเล่า ที่กองขี้วัวเล็กลงเล็กลงบางครั้งอาจจะกินเวลาหลายปีทีเดียวแต่เช้าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อเราพบว่าขี้วัวหน้าบ้านเราได้หายไปหมดแล้วยิ่งไปกว่านั้นปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้น ทีีอ่อกด้านหนหึ่งของบ้านดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งสวยงามสีสันสดใสไปทั้งสวนกลิ่นหอมของดอกไม้โชยไปถึงถนนทำให้เพื่อนบ้านและแม้แต่ผู้คนที่เดินผ่านไปมายิ้มอย่างสุขใจต้นผลไม้ที่มุมสวน เกือบจะค้นลงไปแล้วได้ความหนักของผลไม้และผลไม้ก็หวานอร่อยชนิดที่เราจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้แถมมันยังมากมายเหลือเฟือจนเราสามารถแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านหรือแม้แต่ผู้คนที่เดินผ่านมาได้ลิ้มรสอันแสนอร่อยของเจ้าผลไม้ที่น่าพิศวงนี้ด้วยการโกยที่วัวนี้ อุปมาได้กับการยินดีต้อนรับโศกนาฏกรรมให้เป็นปุ๋ยสำหรับชีวิตเรื่องมันมีอยู่ว่าเราต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยเราได้ในเรื่องนี้แต่หากเราหมั่นโกยมันทุกวันทุกวันไปลงในสวนแห่งใจของเราเจ้ากองความทุกข์ทรมานจะเล็กลงเล็กลงสำหรับบางคนอาจกินเวลาหลายปี แต่เช้าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อเราพบว่าไม่มีความเจ็บปวดรุดร้าวใดๆเหลืออยู่แล้วในชีวิตและสิ่งมหัศาจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยดอกไม้แห่งความเมตตาการุณาเบ่งบานไปทั่วกลิ่นหอมของความรักอวนไปถึงท้องถนนถึงเพื่อนบ้านถึงญาติพี่น้องและถึง แม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาในชีวิตของเราจากนั้นต้นไม้แห่งปัญญาก็โน้มล ง, งมาสู่เราเต็มไปด้วยรสหวานแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมชาติของชีวิตให้เราได้แบ่งปันผลที่แสนอร่อยโดยเสรีแม้แต่กับคนที่เพียงแค่ผ่านมาโดยที่เราไม่ทันได้วางแผนไว้ด้วยซ้ำ เมื่อเราได้รู้จักความเจ็บปวดที่น่าเศร้านี้ได้เรียนรู้บทเรียนจากมันและได้บำรุงสวนของเราให้เจริญงอกงา ม, มเมื่อนั้นเราจะสามารถโอบผู้ที่กำลังจมดิ่งอยู่ในความทุกข์มันไว้ในวงแขนของเราและกล่าวอย่างนุ่มนวลว่าเราเข้าใจเขาเหล่านั้นจะตระหนักว่าเราเข้าใจเขาจริงๆ ความการุณาอยากช่วยเขาพนทุกข์จะเกิดขึ้นเราจะชี้แนะรถเข็นซ่อมงาาและพล่วแกเขาพร้อมทั้งให้กำลังใจอย่างไม่มีขีดจำกัดถ้าเราไม่ได้บำรุงสวนของเราให้เจริญงอกงามแล้วใสเราย่อมไม่สามารถจะทำเช่นนี้ได้ อาตมารู้จักพระหลายรูปที่เชี่ยวชาในการทำสมาธิภาวนาท่านเป็นสุขสงบและสำรวมได้ในเวลาเคราะหหามยามร้ายแต่น้อยองค์นักที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่เก่งมากอาตมามักจะสงสัยอยู่บ่อยๆว่าทำไมบัดนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่าบรรดาพระผู้ที่ค่อนข้าจะผ่าน สิ่งต่างๆมาอย่างสะดวกสบายไร้กงังวลผู้ที่มีขี้วัวให้ต้องโกยน้อยกว่าองค์อื่นมักจะไม่ได้เป็นพระนักสอนแต่พระผู้ที่เคยผ่านความยากลำบาก น, นานาประการค่อยๆโกยและบารุงจนกระทั่งโซนของท่านอุดมสมบูรณ์ท่านมักจะได้เป็นพระนักสอนที่ได้รับความนับถือมาก พระปฏิบัติทุกๆองค์มีทั้งปัญญาความสงบและเมตตากรุณาหากองค์ที่มีขี้วัวมากกว่าให้ต้องโกยมักมีอะไรที่จะแบ่งปันให้โลกมากกว่าด้วยหลวงพ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมาผู้ซึ่งสําหรับอาตมาแล้วเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านคงจะต้องมีรถบรรทุก ขนที่วัวเต็มคันเป็นขบวนเข้าคิวอยู่หน้าประตูในช่วงต้นๆของชีวิตท่านเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนว่าถ้าท่านต้องการที่จะให้บริการกับโลกถ้าท่านปรารถนาที่จะปฏิบัติเมตตาภาวนาแล้วใสครั้งหน้าเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆในชีวิตของท่านท่านจงกล่าวว่า ชโยได้ปุ๋ยสำหรับสวนของฉันอีกแล้ว มากเกินไปที่จะหวังมันมากเกินไปนะที่จะปราถนาชีวิตที่ไร้ความเจ็บปวดมันไม่ถูกต้องหรอกนะ ที่จะคาดหวังชีวิตที่ไร้ความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดเป็นสัญญาณเตือนภัยของร่างกายไม่ว่าเราจะไม่ชอบมันขนาดไหนก็ตามไม่มีใครชอบความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันมีความสาคัญและเราควรจะขอบคุณความเจ็บปวดนั้น เราจะรู้ได้ด้วยวิธีอื่นใดเล่าที่จะเอามือเราออกจากไฟที่จะเอานิ้วเราออกจากใบมีดที่จะเอา้เท้่าเราออกจากมที่จะเอานิ้วรามดังเนั้รานควรามเน้จ็บปวดจึงสํนวาคัญนากใมะเราคจบวรจดะขอบคุดคน้วามเนจ็บปวดนั้น อย่างไรก็ตามยังมีความเจ็บปวดชนิดหนึ่งที่ไรประโยชน์ดใดๆมันคือความเจ็บปวดเรือรังมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการเปลือนภัยมันเป็นหน่วยจู่โจมทำลายล้างเป็นตัวโจมตีจากภายในเป็นตัวทำลายความสุขส่วนตัวเป็นตัวทำ้ายความสามารถส่วนตัวอย่างรุนแรง เป็นตัวรุกรานความสุขสงบส่วนตัวอย่างไม่หยุดหย่อนและเป็นตัวรังควานชีวิตอย่างต่อเนื่องความเจ็บปวดเรือรังเป็นสิ่งขีดขวางที่ยากที่สุดที่ใจจะต้องกระโดดข้ามบางครั้งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดด ถึงกระนั้นเราก็จะต้องพยายามและพยายามและพยายามเพราะถ้าเราไม่พยายามมันจะทำลายเราและความสำเร็จนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดี ความพึงพอใจที่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดได้การได้มาซึ่งความสุขความสงบของชีวิตแม้ความเจ็บปวดจะยังคงอยู่นับได้ว่าเป็นความสำเร็จพอสมควรความสำเร็จที่แสนพิเศษและเฉพาะตัวมากๆความรู้สึกเข้มแข็งของความเข้มแข็งแห่งจิตใจ ซึ่งจําเป็นต้องผ่านประสบการณ์เสียก่อนจึงจะเข้าใจได้ดังนั้นเราทุกคนต้องยอมรับความเจ็บปวดแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่เป็นอันตรายในบางครั้งด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อจิตสามารถจัดการมันได้จิตจะเข้มแข็งขึ้น ควรแก่การปฏิบัติโจนาธานวิสันฟุลเลอร์เหตุผลที่ได้นำคำประพันธ์นี้มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยผู้ประพันธ์ได้มเมตตาอนุญาตแล้วก็เพราะว่าคุณโจนาธาน ได้เขียนคําประพันธ์นี้เมื่ออายุเพียงก้าขวบเท่านั้นหมายเหตุสําหรับเรื่องนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์คือโจนาธานวิลสันฟูลเลอร์ให้นำบทกวีเรื่องมากเกินไปที่จะหวัง is too much to hope for ที่เคยได้รับการพิมพ์เผยแพร่แล้วมาลงในหนังสือเล่มนี้ได้ ขยะก้นรั่วงานส่วนหนึ่งของอาตมาคือการรับฟังปัญหาของเพื่อนมนุษย์บริการของพระมักจะคุ้มค่าคุ้มราคาเสมอเพราะพระไม่เคยคิดค่าบริการใดๆบ่อยครั้งเมื่ออาตมาได้ฟังเรื่องราวความสับสนวุ่นวายที่สลับซับซ้อน และน่าลำบากใจที่มีผลต่อคนเราบางคนความสงสารและเห็นใจที่อาตมามีให้พวกเขาพลอยทาให้อาตมาเศร้าหมองไปด้วยการช่วยดึงคนออกจากหลุมนั้นบางครั้งอาตมาก็จาต้องลงไปในหลุมด้วยตนเองเพื่อจะไปถึงมือเขาแต่อาตมาจะไม่ลืมหนีบบันไดไปด้วยเสมอเมื่อการให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นลง อาตมาจะสดใสร่าเริงเช่นเดิมงานให้คำแนะนำของอาตมาไม่เคยทิ้งเสียงสะท้อในใดๆไปเลยทั้งนี้เพราะอาตมาได้รับการฝึกฝนมาเช่นนั้นหลวงพ่อชาท่านอาจารย์ของอาตมาในเมืองไทยสอนไว้ว่าพระเราต้องทำตนเป็นถังขยะ พระสงฆ์โดยเฉพาะพระผู้ใหญ่จําเป็นต้องนั่งอยู่ในวัดของท่านรับฟังปัญหานาน า, นาประการของโยมและยอมรับขยะทั้งหมดของเขาปัญหาการแต่งงานความยุ่งยากของเด็กวัยรุ่นเรื่องทะเลาะกับเครือญาติปัญหาการเงินเราฟังมาเยอะอาตมาก็ไม่รู้ว่าทําไม พระผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะไปรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตคู่เราละจากโลกครวาดเพื่อออกจากขยะพวกนั้นแต่ด้วยความเมตตาเราได้นั่งฟังแบ่งปันความสงบสุขของเราและรักขยะทั้งหมดมายังมีคำแนะนำเพิ่มเติมที่จะขาดซิไม่ได้ ที่หลงพ่อได้สอนไว้ท่านบอกให้เราทำตนเป็นถังขยะที่มีรูอยู่ที่ก้นถังเราจะรับขยะทั้งหมดไว้ได้แต่เราจะไม่เก็บมันไว้เลยดังนั้นเพื่อนหรือผู้ให้คาปรึกษาแนะนำที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นเช่นถังขยะก้นรัว่ว ที่ไม่เคยเต็มพร้อมจะรับฟังปัญหาอื่นๆต่อไปเสมอ อาจจะยุติธรรมก็ได้บ่อยครั้งเวลาเศร้าซึมหรือมีปัญหาเรามักคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลย ทำไมต้องเป็นฉันด้วยความยุ่งยากจะผ่อนคลายลงสักหน่อยถ้าชีวิตมันจะเป็นธรรมกว่านี้นักโทษวัยกลางคนคนหนึ่งในกลุ่มฝึกสมาธิภาวนาของอาตมาในเรือนจำขอพบอาตมาหลังเวลาเลิกเขาเข้ามาร่วมกลุ่มเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และอาตมาก็รู้จักคุ้นเคยกับเขาค่อนข้างดีเขาพูดว่าท่านพรมผมอยากจะเรียนท่านว่าผมไม่ได้ก่อเรื่องที่ทําให้ผมต้องติดคุกนี้หรอกนะครับผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมรู้ว่านักโทษหลายๆคนคงพูดเหมือนผมและเขาโกหกแต่ผมพูดจริงๆนะครับผมไม่โกหกท่านหรอก ท่านพรมไม่กับท่านแน่ๆอาตมาเชื่อเขาพฤติกรรมและลักษณะทาทางของเขาทำให้อาตมามั่นใจว่าเขาพูดความจริงอาตมาเริ่มคิดว่ามันช่างไม่ยุติธรรมเลยและสงสัยว่าอาตมาจะช่วยแก้ไขความอายุติธรรมที่แย่มากๆนี้ได้อย่างไร แต่เขาได้ขัดจังหวะความคิดของอาตมาด้วยรอยยิ้มกว้างที่ดู ก, กวนๆเขากล่าวต่อว่าแต่ท่านพรหมครับผมได้เคยก่ออาอยากรรมอีกหลายครั้งหลายคนที่ผมไม่เคยถูกจับได้ผมจึงเชื่อว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วละ่ะอาตมาเลยต้องหัวเราะ อ, ออกมาดางัดางๆอันตพานเก่าๆคนนี้ เข้าใจกฎแห่งกรรมดีอาจจะดีกว่าพระบางองค์ที่อาตมารู้จักเสียด้วยซ้บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราเคยก่ออาชญากรรมการกระทำที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด โดยมีเจตนาร้ายและเราก็ไม่เคยได้รับผลจากการกระทำนั้นๆเคยหรือไม่ที่เราจะพูดว่ามันช่างไม่ยุติธรรมเลยทำไมฉันถึงไม่โดนจับนะเมื่อเราต้องทนทุกข์โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเราจะคร่าครวญว่า มันไม่ยุติธรรมเลยทำไมต้องเป็นชั้นด้วยบางทีมันอาจจะยุติธรรมก็ได้เช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำของอาตมาบางทีมันอาจจะมีอายากรรมอื่นอื่นอีกหลายเรื่องที่เราได้ก่อไว้และไม่เคยถูกจับได้ที่ทำให้จีวิตยุติธรรมในที่สุด